เรื่องพระเมติยะและพระภุมมชะกัสมัยนั้นพระเมติยะและพระภุมมชะกัเป็นพระบวชใหม่และมีบุญน้อยเสนาสนะของสงชั้นเลวอาหารก็ชั้นเลวตกถึงท่านทั้งสองชาวกรุงราชครืต้องการจะถวายบินบาตแก่พระเถระทั้งหลาย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 มีอาหารอะไรบ้างในโรงฉันสำหรับพวกท่านพระเถระบางพวกตอบว่าคุณทั้งสองพวกเรามีเนยใสน้ำมันแกงอ่อมพระเมตติยะและพระภุมมชกะกล่าวว่าพวกกระผมไม่มีอะไรเลยขอรับมีแต่อาหารธรรมดาตามแต่จะหาได้คือปลายข้าวกับน้ำผักดอง สมัยต่อมาขะหะบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีถวายอาหารแก่สงฺวันละสีท่ที่เป็นนิตยาพัทขะหะบดีพร้อมบุตรภรรยาอังคาดอยู่ใกล้ๆในโรงฉันคนอื่นๆถามถึงความต้องการข้าวสุกถามถึงความต้องการกับข้าวถามถึงความต้องการน้ำมันถามถึงความต้องการแกงอ่อม วันต่อมาท่านพระทัพพระมลบุตรผู้เป็นพัตตุทเทสะนิมนต์พระเมติยะและพระภูมิมชกะไปฉันพัตตาหารของขาหาบดีในวันรุ่งขึ้นวันเดียวกันนั้นขาหาบดีเดินทางไปอารามด้วยธุระบางอย่างได้เข้าไปหาท่านพระทัพพระมลบุตรถึงสำนักครั้นถึงแล้วได้ไหว้ท่านพระทัพพระมลบุตรแล้วนั่งลงณที่สมควร ท่านพระทัพพระมลระบุตรชี้แจงขหาบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาครั้นแล้วขหาบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีถามว่าพัตตาหารที่จะถวายในวันพรุ่งนี้ที่เรือนของข้าพเจ้า ท่านนิมนต์ภิกษุรูปไหนไปฉันขอรับท่านพระทัพผ้ามารบตอบว่าอาตมาจัดให้พระเมตติยะและพระภุมมชกะไปฉันเขาไม่พอใจว่าทำไมจึงนิมนต์ภิกษุชั่วไปฉันพระตาหาในบ้านเราเล่ากลับไปบ้านแล้วก็สั่งหญิงรับใช้ว่าแม่สาวใช้ พรุ่งนี้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วอปลายข้าวกับน้ำผักดองถวายภิกษุผู้มาฉันพัตหารนะหญิงรับใช้รับคำว่าได้เจ้าค่ะวันเดียวกันนั้นพระเมตติยะและพระภูมิมชกะกล่าวกันว่าคุณเมื่อวานนี้เราได้รับนิมนต์ไปฉันพัตหารในเรือนขหบดีพรุ่งนี้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 ครองอันตรวาศบถือบาทและจีวรเดินไปถึงนิเวศของขหบดีหญิงรับใช้มองเห็นพระเมติยะและพระภุมมัชกะเดินมาแต่ไกลจึงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูกล่าวนิมนต์ว่าพระคุณเจ้านิมนต์นั่งเถิดเจ้าข้าพระเมติยะและพระภุมมัชกะคิดว่า เขาคงนิมนต์ให้พวกเรานั่งรอที่ซุ้มประตูจนกว่าพัฒนาหารจะเสร็จขณะนั้นหญิงรับใช้นำปลายข้าวกับน้ำผักดองไปถวายแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้านิมนต์ฉันเถิดเจ้าค่ะท่านทั้งสองกล่าวว่าน้องหญิงพวกอาตมารับนิมนต์มาฉันนิตยพัฒหญิงรับใช้ตอบว่า ทราบเจ้าค่ะว่าท่านเป็นพระรับนิมนต์มาฉันนิตยพัฒนแต่เมื่อวานนี้ขหาบดีสั่งไว้ว่าแม่สาวใช้พรุ่งนี้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วอปลายข้าวกับน้ําผักดองถวายภิกษุผู้มาฉันปัตถารนะนิมนต์ฉันเถิดเจ้าข่าพระเมตียะและพระภูมิมชกะปรึกษากันว่าเมื่อวานนี้เอง ขหบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีไปหาพระทัพพระมละบุทถึงอารามสงสัยพวกเราคงถูกพระทัพพระมละบุททำลายต่อหน้ากหบดีเป็นแน่เพราะความเสียใจท่านทั้งสองจึงฉันพัตนาหารไม่ได้สมใจครั้นกลับจากบินทบาทหลังจากฉันเสร็จแล้วถึงอารามเก็บบาทและจีวรแล้วใช้ผ้าสังาติรัดเขา่า นั่งภายนอกสุมประตูอารามนิ่งอัน้นเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศรา้าไม่พูดจา